256. ตัชนิยกรรมวิวาทะกะถาว่าด้วยความขัดแย้งในตัชนิยกรรม 429. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุ ก, ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณในสง์ ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาดก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงฆ์เอาละพวกเราจะลงตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรม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 กรรมทำไม่ดีต้องทําใหม่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมและพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่เป็นอันทมกรรมทําไม่ดีต้องทําใหม่ จัดเป็นฝ่ายธรรมวาทีในที่ประชุมนั้น430ภิษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงฆ์ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาวก่ออธิกรณในสงฆ์เอาละพวกเราจะลงตัชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพลียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงตัชนิยกรรมแก่พิกษุรูปนั้น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 กรรมแบ่งพวกโดยทำปฏิรูปกรรมพร้อมเพรียงกันโดยทำปฏิรูปกรรมไม่เป็นอันธทมกรรมำทำไม่ดีต้องทำใหม่บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมแบ่งพวกโดยชอบทำและพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่เป็นอันธทมกรรมำทำไม่ดีต้องทำใหม่ จัดเป็นฝ่ายธรรมวาทีในที่ประชุมนั้น432พิษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พิษุก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงฆ์ถ้าพิษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณในสงเอาละ่ะพวกเราจะลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทรรมปฏิรูปลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นสงผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวแย้งว่า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 ก่อเรื่องอื้อเฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เอาละพวกเราจะลงตัชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น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 กรรมไม่เป็นอันทมกรรมำทําไม่ดีต้องทำใหม่บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมพร้อมเพรียงกันโดยทรรมปฏิรูปและพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่เป็นอันทมกรรมำทาไม่ดีต้องทำใหม่จัดเป็นฝ่ายธรรมวาทีในที่ประชุมนั้น